เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษสัตอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันร์ที่2ี่สิบแปดพภาคมพุทธศักราชส5 5 5เป็นวันพระวันธรรมาวานะัวนาวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชน พุทธบททุตรศาสตผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเป็นทาง ที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตคือภพชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงถึงการสิ้นสุดแห่งการเรวดไหวตายเกิดมีพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติและบรรลุถึงผลอนเลิศอนประเสริฐได้ ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามก็จะสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกันเพราะผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามได้บรรลุกันมาแล้วเป็นจหนวนมากได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาตอนตอน้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังมีกิเลสมีตันหาที่ยังไม่รู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ไม่รู้เรื่องนับผลนิพพานไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่หลังจากที่เราได้มาวัดกันอย่างสม่ำเสมอได้มาศึกษาได้ฟังธรรมคาสอนของพระเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้เป็นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร และมีความเป็นไปอย่างไรเพราะชีวิตของเรานั้นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าใจของเราผู้ดำเนินชีวิตไม่มีวันตายนั่นเองร่างกายเป็นเพียงชีวิตชั่วคราวเป็นเครื่องมือของใจเป็นตัวแทนของใจที่ใจใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆให้กับตนเอง สร้างความสุขสร้างความทุกข์สร้างนรกสร้างสวรรค์ก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่จะต้องไปรับผลของของงานที่ใจสร้างไว้ก็คือใจใจที่สร้างบาปตายไปก็ต้องไปรับผลในอบายใจที่สร้างบุญตายไป ก็ไปรับผลในสวรรค์แต่ใจไม่มีวันตายหลังจากที่ใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็จะกลับมาได้ร่างของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วก็ไปรับผลของบุญของบาปใหม่ทําอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วนี่คืออดีตของเราและอนาคตของเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตวแล้วมาสั่งสอนความจริงเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ของพวกเราพวกเราก็จะวนเวียนอยู่กับกองทุกข์และกองสุขสลับไปตามบุญตามกรรมที่เราได้สร้างไว้วันไหนเรามีอารมณ์ดีเราก็ทำบุญวันไหนเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ทำบา ถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีมากกว่าอารมณ์ดีเราก็จะทำบาปมากกว่าทำบุญถ้าเรามีอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทำบุญมากกว่าทำบาปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราทำดีอย่าทำบาปเพื่อประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราก็จะ พยายามปฏิบัติตามเวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีเราก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะไม่ไปทําบาปเวลาเรามีอารมณ์ดีเราก็จะรีบทําบุญทันทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าการกระทําของเรานี้มีผลตามมาอย่างแน่นอนมีทั้งผลดีและผลไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องพยายาม ทำตางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำบุญละบาปแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทาทั้งสามประการนี้จะนำผลที่ดีมาให้กับจิตใจคือจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบาลและจะได้เกิดในภพที่ดีตั้งแต่ภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพร และพบของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำทั้งสามข้อนี้ถ้าทำได้เพียงข้อแรกคือทำบุญแต่ยังไม่สามารถลาบาตได้ก็ยังต้องไปใช้บาตไปเกิดในอบายขึ้นอยู่กับว่ากำลังของบุญมีมากกว่าหรือน้อยกว่า ถ้าทําบุญมากกทําทบาปก็จะไปรับผลบุญก่อนแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ถ้ามีบาปเนี่มากกว่าบุญก็ต้องไปใช้ผลบาปก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลดายละบาปได้เราก็ต้องพยายามทาบุญให้มากๆ เพื่อที่จะได้อาศัยบุญพาเราไปพาเราไปสู่ที่ดีแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ละบาปได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าเราสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิด ก็คือความไม่บริสุทธิ์ของใจนั่นเองใจไม่บริสุทธิ์ด้วยอะไรก็ด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นเชื้อหรือเป็นตัวผลักดันให้ใจต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมแต่ถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่มีเชื้อที่จะผลักดันให้ใจไปเกิด ที่สูงไปเกิดที่สูงเมือที่ต่างตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าได้ทําบุญและทากรรมมาอยู่มากมายก็ตามแต่ถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดได้บริสุทธิ์ก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นพระองคุลิมานเป็นตัวอย่าง <Me ant wirklich> ที่ได้ฆ่าคนถึง999คนด้วยกัน แต่พอมาพบกับพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงก็เกิดศรัทธาแล้วน้อม น, อ น, ำ, นำเอาไปปฏิบัติจนสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กรรที่ฆ่าคนถึง919คนก็ไม่มี ไม่มีอนิสงส์ไม่มีผลต่อไปเพราะว่ากรรมผลของบุญของบาปนี้จะไม่อนิสงสมีผลก็ต่อก็กลับผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดนั่นเองผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น นี่คือเรื่องของจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรกัน mm hmm. ก็ขอให้เราพยายามทำกันให้มากๆให้มีศรัทธาความเชื่อว่านี่เป็นความจริงเป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งหลาย คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่มีความเท็จเข้ามาป้ายปลมเข้ามาเลยมีความจริงล้วนๆที่พวกเรานี้สามารถเชื่อได้อย่างตายใจเชื่อได้เหมือนกับเราเชื่อหมอหมอที่รักษาโรคให้เราหมอให้เรารับประทานยาอย่างไรให้ฉีดยาชนิดใดเราก็ ทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างเพราะเราเชื่อว่าหมอนี้มีความตั้งใจมีความรู้มีความสามารถที่จะรักษาให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นเหมือนหมอรักษาโรคใจรักษาโรคจิตที่พวกเราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ โรคใจโรคจิตของเราก็คือความทุกข์ต่างๆนี่เองความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่รักไปความทุกข์เหล่านี้พระพุทธเจ้าสามารถรักษาให้พวกเราให้หายขาดได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาใจของพระองค์มาแล้วเมื่อก่อนท่านก็ปีโรคจิตโรคใจเหมือนอย่างที่พวกเรามีกันอยู่แต่หลังจากที่ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบวิธีที่จะรักษาโรคจิตโรคใจให้หมดไปก็คือการทําบุญละบาปและการ ชำระใจให้สะาดบริสุทธิ์นี่แล้วหลังจากนั้นพวกก็นำเอามาสอนผู้อื่นต่อไปผู้ที่สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถรักษาโรคจิตโรคใจของตนให้หายขาดได้ mm hmm. เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพระอริยาสงฆ์สาวกหรือพระสังฆรัตตนะ ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของพ่อพุทธเจ้าผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ถูกทำลายหายไปหมดไปจากใจแล้วถ้าเป็นร่างกายก็เชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย ได้ถึงยารัากษาโรคนี้ทำลายไปหมดแล้วคนไข้ก็เลยหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราน้อมนำเอาธรรมโอสถคือยาที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้พวกเรามารับประทานกันพวกเราต่อไปก็จะหายจากโรคจิตโลกใจหายจากความทุกข์ต่างๆได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของเหตุและผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นขาลรว่าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าหรือเป็นสมัยปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่การใช้ยากินยาเท่านั้นว่ากินหรือไม่ถ้ากินยาก็หายได้ โรคภยัยไข้เจ็บสมัยก่อนคนกินยาก็หายได้สมัยนี้ถ้าเป็นโรคแล้วกินยาก็หายได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่กินยาโรค ก, ก็จะไม่หายต่อให้ยาวิเศษขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าไม่กินยาไม่ทำตามหมอสั่งโรค ก, ก็จะไม่หายไปฉันใดฉันก็ฉันนั้นถึงแม้ว่าสมัยนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราแล้ว แต่ยาที่ท่านท่านแจกใจ่ายให้มารักษายังมีอยู่ยานี้ก็คือก็ทำคำสอนที่พวกเราเข้ามาศึกษากันในทุกวันพระนั่นเองมารับยาจากหมอพระพุทธเจ้าจึงต้องกาหนดวันพระให้พวกเรามารับยากันเหมือนกับหมอที่เรารักษาพอยาหมดหมอก็สั่งว่าต้องมารับยารับไปทาน รับไปทานเรื่อยๆจนกว่าโรคจะหายถ้าโรคหายแล้วก็ไม่ต้องมากระดาษฉันใดถ้าญาติโยมสามารถรักษาโรคจิตโรคใจให้หายขาดไปจากใจได้แล้วญาติโยมไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่มีความจำเป็นต่อไปเหมือนกับคนไข้ที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีความจำเป็นแล้ว ฉันใดผู้ที่สามารถปฏิบัติจนชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องทำบุญไม่ต้องรักษาศีไม่ต้องชำระใจให้สะอาดเพราะว่าไม่รู้จะทำไปทำไมมันสะอาดอยู่แล้วใจสะอาดก็ไม่ต้องรักษาศี เพราะว่าใจสะอาดนี้จะไม่มีความโลภความอยากเมื่อไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีการทำบาปคนที่ยังมีความโลภยังมีความอยากนี่แหละเป็นคนที่จะต้องไปทำบาปเพราะว่าถ้าอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ทำบาป ก, ก็จะต้องทำบาป ก, กันดังที่เราได้ยินข่าวๆกันแทบทุกวันคนทำบาป ก, กัน ก็เพราะว่าเขามีความอยากกันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่มีเงินไม่มีความสามารถที่จะไปหาเงินมาได้ด้วยวิธีสุดจริต ก, ก็ไปทําบาป ก, กันไปลักขโมยไปช่อโกไปป้นธนาคารเพราะว่าความอยากนี้พาให้ไปแต่ถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรักษาสิน เพราะว่าเหมือนกับคนที่คนที่หายจากไข้แล้วไม่ต้องกินยากินไปก็เท่านั้นไม่กินก็เท่านั้นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมาสมาทานมารักษาศีลเพราะใจจะไม่มีวันที่จะทําบาปอีกต่อไปนั่นเองหรือจะพูดว่ามีศีลแล้วคือศีลศีลข้อเดียวก็คือ คือใจนี่เองถ้ารักษาใจได้ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากได้ก็จะไมจะ่จะไม่ไปทำบาปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาปฏิบัติกันมาทำกันตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ทำตรงนั้นไปก่อนถ้าเรายังทาความดีไม่ได้มากเราก็ต้องทำให้มากขึ้นไป ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้เราก็ต้องมาพยายามรักษาศีลกันถ้ารักษาศีลห้ายังไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็มารักษาศีลแปดกันพยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามีประโยชน์มากขึ้นไปตามลาดับประโยชน์จากการรักษาศีลก็คือในปัจจุบัน ใจของเราก็จะมีความสงบไม่ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความกังวลกับผลของการทำบาปคนที่ทำบาปนี้จิตใจจะไม่ค่อยสงบจะวิตกกังวลกลัวจะถูกจับได้กลัวจะถูกจับไปลงโทษแต่คนที่ไม่ทำบาปนี้จะไม่เดือดร้อนจิตใจจะมีความมั่นคง ม, มีความกล้าหาญ ไม่หวั่นไหวต่อต่อผลเพราะว่าไม่ได้ทำผลเสียนั่นเองนี่คืออนิสงส์ที่จะได้ในปัจจุบันในอนาคตก็ตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอาบาวเพราะศีลนี้เป็นเหมือนกำแพงที่จะกั้นไม่ให้ใจไหลเข้าไปในอาบาวนั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะเป็นฐานเป็น ที่เป็นขั้นบันไดที่จะสนับสนุนให้ได้ก้าวขึ้นไปสู่การชำระใจต่อไปผู้ที่มีศีลนี้จะมีกำลังที่จะสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อชำระใจได้แต่ถ้าไม่มีศีลนี้จะไม่มีกำลังพอ<ม>ก็จะไม่สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดปล่อยสุดได้ โดยเฉพาะต้องถือศีลแปเพราะว่าศีลแปนี้จะช่วยกำจัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวางในการชำระใจอุปสรรคก็คือนิวรณ์ข้อหนึ่งก็คือเรียกว่าการมาฉันทะการมฉันทะนี้แปลว่าความอยากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเช่นยังอยากดูหนังฟังเพลง ยังอยากจะดื่มยังอยากจะรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆทุกเวลานี่คือการติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรถถ้าติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถก็จะยากต่อการปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็นั่งก็จะนั่งได้ไม่นาน เดี๋ยวใจก็อยากจะดื่นอยากจะรับประทานก็จะเสียสมาธิไม่สามารถที่จะรักษาที่จะทำใจให้สงบได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่ต้องการชำระใจให้สะอาดจึงต้องรักษาสิ้นแปดให้ได้เพราะสิ้นแปดนี้จะมากําจัดนิวร คือการมาฉันทะนั่นเองเช่นศีลข้อสาก็ต้องถือเป็นอพรรมจาริยาเวรามณีแทนที่จะเป็นกาเมการเมนี่คืออย่างร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้แต่ก้อหลับนอนกับคู่ครองของตนเช่นสามีหรือภรรยาของตนแต่ถ้าถือศีลเนื้อพรหมจาริยานี้ก็คือให้ลดให้งด ให้ละเว้นจากการร่วมหลับนอนแม้แต่กับคู่ครองของตนเองคือสามีหรือภรรยาคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะมาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่นเองนี่คือสิลข้อที่สาแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อข้อที่6ก็คือ จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือจะรับประทานตามความต้องการของร่างกายซึ่งรับประทานวันละครั้งก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรับประทานวันละสารสี่ครั้งด้วยกันก็รับประทานทีเดียวให้เต็มที่เลยเหมือนกับเวลาที่เราเติมน้ำมันน้นเราก็เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลยไม่ต้องแบ่งกักไว้เติมทีละครึ่งถัง แติมมันไปทีเดียวให้มันพอกับความต้องการของร่างกายเติมให้เต็มถังมันก็เหมือนกับรับประทานสองครั้งสาครั้งผลมันก็เท่ากันก็คือสามารถดูแลรักษาเยียวยาให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่คือศินข้อที่6คือจะไม่หาความสุขจากการรับประทาน การดื่มอาหารดื่มเลือรับประทานอาหารจะดื่มเลือกรับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยามีอะไรก็กินกินมันเข้าไปรับประทานมันเข้าไปให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่เช่นนั้นเดี๋ยวก็ต้องมานึกถึงเวลากินอาหารนี่แล้วพอจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ พอเวลากินอาหารอิ่มก็ง่วงนอนนั่งไม่ได้พอพอเริ่มหิวก็อยากเจกินิจ ก, ก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ดังนั้นผู้ที่จะจะนั่งสมาธิอยากจะทําละใจให้สงบนี้จําเป็นจะต้องต่อสู้กับการมฉันทะให้ได้ต้องเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้ ตอนต้นก็อาศัยการบังคับตัวเองไปก่อนแล้วก็อาศัยการภาวนาการปฏิบัติเพราะถ้าเราปฏิบัติไปได้ก้าวหน้าแล้วเมื่อใจสงบแล้วใจจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่เรื่องต้นนี้จะต้องใช้ความอดทนใช้ความเข้มแข็งใช้ใช้ศรัทธาความเชื่อว่าลำบากหน่อยตอนนี้แต่ต่อไปจะสบาย เหมือนคนไข้ที่รักษาตัวต้องทนให้หมอผ่าเพื่อรักษาโรคแต่พอผ่าเสร็จแล้วต่อไปโรคหายแล้วก็จะสบายฉันใดการถือศีลแนี่ก็เป็นเหมือนการรักษาโรคเป็นการผ่าตัดเราต้องยอมอดทนต้องทนเจ็บหน่อยทนหิวทนอยากหน่อยอย่าไปอยากรับประทานอาหาร มากจนเกินไปรับประทานเท่าที่จำเป็นก็พอคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแ้ะข้อต่อมาก็คือให้เราอดกั้นต่อการอยากจะหาความสุขจากการดูการฟังจากการลเล่นต่างๆจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการแต่งเนื้อแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ ที่สวยงามมีสีสันต่างๆหรือจากการใช้เครื่องหอมต่างๆใช้เครื่องตกแต่งต่างๆเครื่องสําอางต่างๆสิ่งเหล่านี้เราจะไม่แสวงหาเราจะงดเพราะว่ามันเป็นความสุขผิวเผินเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง ละเวลาใดที่ไม่ได้รับความสุขเหล่านี้ใจก็จะมีความเศร้าหมองอ ม, มีความมีความทุกข์แต่ถ้าเราฝืนความอยากเหล่านี้ได้ต่อไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไม่ได้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งกาย ด้วยการทำหน้าทำตาทำผมอะไรตา่างๆเราจะอยู่อย่างปกติได้อย่างสบายนี่คือสินข้อที่7ส่วนข้อที่8ก็คือเราต้องไม่หาความสุขจากการหลับนอนเราหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาว่วงอยากจะนอนนอนบนพื้นชนิดไหนก็ได้ นอนบนฟูกก็ได้นอนบนพื้นไม้ก็ได้เพราะว่าเมื่อร่างกายง่วงแล้วนอนก็จะนอนหลับ ท, ทันทีแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆเวลาที่ร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วได้พักผ่อนพอนแล้วแต่ใจของเราคือการมาถามทานี้ยังอยากจะนอนต่อเพราะยังอยากจะ มีความสุขจากการหลับนอนเพราะฟูกหนาๆ น, นอนแล้วนิ่มสบายนั่นเองแต่ถ้าเรานอนบนพื้นไม้พื้นแข็งพอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วได้พักผ่อนพอแล้วเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายนอนไม่สบายเราจึงต้องถือศีลข้อ8คือจะไม่นอนบนฟูกหนาๆจะนอนบนพื้น แข็งแข็งเช่นพื้นไม้ปูผ้าหรือปูเสื่อก็พอแล้วสำหรับการพักผ่อนหลับนอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องถือศีลแปดกันเพราะว่าเราอยากจะชำระกิเลสตัณหานั่นเองข้อนี้ก็จะช่วยชำระกามัฉันทะหรือกามตัณหาที่เป็นตัวที่จะ เกี่ยวเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้เราต้องกลับมาเกิดหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ทุกภพกทุกชาตินี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้นั่นเองแต่ถ้าเราถือสินแตกได้แล้วเราสามารถทําใจให้สงบได้นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะพอใจเรามีความสุขแบบนั้นแล้วความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะก็จะไม่มีความหมายไม่มีความสาคัญอีกต่อไปเหมือนกับเราได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ เช่นเรามีมีรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าเราก็ไม่เสียดายรถเก่ายกให้คนอื่นไปหรือขายไปได้เลยเพราะตอนนี้เรามีรถใหม่กว่าที่ดีกว่านั่นเองฉันใดพอเราได้ทําใจให้สงบแล้วทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเลิกความอยากต่างๆได้นี่คือการชำระใจ ที่จะต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องสนับสนุนศีลห้า น, นี้จะไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนการทำใจให้สงบได้เพราะศีลห้าไม่สามารถยับยั้งการมาฉันทาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้เองถ้าเราต้องการชำระใจเราก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปก็ได้ศีลสิบก็ได้ ศีล227กระไดศีลเหล่านี้จะสนับสนุนในการชำระจิตใจให้สะอาดปริสุทธิน์นี่คือสาเหตุที่เราต้องมาวัดในวันพระกันเพื่อมาศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันเมื่อเ ร, รู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ผลที่ดีต่างๆก็จะตามมา คือจิตใจของเราจะสูงขึ้นไปตามลําดับจิตใจก็จะพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอาริยเจ้าตามลําดับต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้พวกเรามาปฏิบัติกันทุกวันพระผู้ที่น้อมเอามาปฏิบัติผู้ที่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้ที่จะ ได้รับอนิสง์ผู้ที่ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ได้รับอนิสง์นี่คือวันพระที่พวกเรามากันจึงขอฝากให้ท่านได้นำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา